สรุปข้อควรกำหนดเกี่ยวกับตันหาและฉันทะเพื่อสะดวกในการพิจารณาอาจสรุปข้อควรกําหนดเกี่ยวกับตันหาและฉันทะได้ดังนี้ความหมายเบื้องต้นความหมายเบื้องต้นของตันหาความอยากความรานรนทยานอยากคืออยากได้อยากเอาอยากเป็น อยากไม่เป็นต้องการเสพความหมายเบื้องต้นของฉันทะความยินดีพอใจความใยรักอยากคือใยทำใยดีใฟสัจจะอยากรู้อยากทำต้องการธรรมะต้องการทำความหมายตามหลัก ความหมายตามหลักของตัณหาความอยากได้สิ่งเสพที่อํานวยสุขเวทนาอยากให้ภาวะมั่นคงถาวรของอัตตาอยากให้อัตตาพลากขาดหายสูญสิ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาหรือสํานวนง่ายคือความอยากเพื่อตัวตนเพื่อตัวของเราเช่นอยากเสพอยากได้อยากเอามาบุมเรอตัว อยากให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความหมายตามหลักของฉันทะความยินดีในภาวะที่สิ่งนั้ น, น, นเป็นสิ่งที่ดีต้องการภาวะดีงามและความยมรงอยู่ในอุดมสภาวะของสิ่งทั้งหลายอยากทำให้คุณค่าหรือภาวะที่ดีงอกงามขึ้นจนบรรลุอุดมสภาวะ หรือสำนวนง่ายคือความต้องการภาวะที่ดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นๆและอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นกระบวนธรรมะของตัณหาอาวิชชาบวกเวทนานำให้เกิดตัณหาและนำไปสู่ปริยสนา คือการสแสวงหากระบวนธรรมะของฉันทาโยนิโสมนสิการทำให้เกิดชันทานำไปสู่อุตสาหะสิ่งที่ประสงค์ของตันหาคืออามิ t h และอารมหกคือสิ่งเสพที่อํานวยสุขเวทนา หรือพนออัตตาสิ่งที่ประสงค์ของชันทะคือธรรมะและกุศลความจริงความดีงามคุณภาพชีวิตลักษณะพึงสังเกตตันหามี อ, อัตตาเป็นศูนย์กลางจะเอาเข้ามา ฉันทาไม่พัวพันกับอัตตาโน้มน้อมไปหาตันหามุ่งหาสุขเวทนาหรือสิ่งพนอตนฉันทามุ่งอัตถะคือสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงแก่ชีวิตและแก่ทุกสิ่งตันหามืด หรือไม่คํานึงถึงความรู้ความเข้าใจคุณโทษเป็นต้นของสิ่งนั้นๆฉันทะเกิดจากความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าสัมพันธ์กับปัญญาตัณหาเป็นเงื่อนไขกับการกระทําไม่ต้องการการกระทําฉันทะเป็นเหตุกับการกระทําเป็นจุดเริ่มต้นหรือส่วนหนึ่งของการกระทํา ตัณหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวกำหนดการกระทำฉันทาจุดมุ่งหมายของงานนั่นเองเป็นตัวกำหนดการกระทำอาการและผลต่อจิตตัณหากระวนกระวายเร่าร้อนไม่เอื้อสมาธิ เช่นชอบใจอยากได้ฟุงซานคิดพล่านไปฉันทะสบายเอื้อสมาธิเช่นชื่นชมความดีของคนคำสอนธรรมชาติจิตดื่มดำ่ำซาบซึ้งสงบตั้งมั่นตันหาข้องคับใจทุกต่างๆโรคทางจิตฉันทะเอื้อต่อสุขภาพจิต ตัณหากามสุขสามิสุขสุขพึงพาฉันทาสุขปราณีตนิรามิสุขสุขอิสระวิธีปฏิบัติข้อที่หนึ่งนัยยะรงพึงละโดยถอนขาดตัณหา เกิดที่ไหนดับหรือละที่นั่นฉันทะพึงกระทาคือสร้างขึ้นและปฏิบัติตามตัณหาควบคุมโดยเพิ่มปัญญาและฉันทะฉันทะระงับด้วยการทำให้สาเร็จตามนั้นข้อที่สองอุบาย อาศัยตันหาละตันหาให้ตันหาเป็นปัจจัยแก่ชันทะคือหนุนชันทะ